ภิกษุผู้ควรสวดถอนจากอาบัติสังฆาทิเศษทั้งหมดนี้ไม่ควรที่ภิกษุจะพึงไหว้บุคคลผู้ควรไหว้สามประเภทหนึ่งผู้บวชก่อนควรที่ผู้บวชที่หลังจะไหว้ 2. ภิกษุที่เป็นนานาสังวาดคือต่างนิกายกันแก่กว่าถ้าพูดเป็นธรรม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 ก็เที่ยวจับจองแย่งที่ให้อุ ป, ปัชชายะให้อาจารย์และเพื่อตนเองโดยอ้างว่าที่ห้ามนั้นห้ามเฉพาะของสง์ไม่ได้ห้ามเกี่ยวกับที่อยู่ที่มีผู้สร้างขึ้นอุทิศสง์เป็นการอ้างเกี่ยวกับถ้อยคำที่ห้ามพระผู้มีพระภระาคเจ้าทรงทราบก็ทรงห้ามทาเช่นนั้นอีกและปรับอาบัตทุกกฎแก่ผู้ล่วงละเมิด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 และเครื่องนั่งนอนต่างๆทรงอนุ ญ, ญาตให้ใช้ปราสาทได้ทุกชนิดปราสาทในที่นี้คือเรือนเป็นชั้นๆส่วนเครื่องนั่งนอนเป็นต้นของขาริหัดรวมหลายอย่างซึ่งถวายแก่สงเมื่อคราวพระอัยยิกาหรือยายของพระเจ้าเปรเซนที่โกรศลสิ้นพระชนนั้นทรงอนุ ญ, ญาตให้ตัดเท้าอาสันธิหรือตังสี่เหลี่ยม